ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมวงปพุตธิยานกำลังนำเสนอสมาวยยมะคคือความพยายามชอบมันเป็นอริยมรคในส่วนของจิตสิกขาคือการบำเพ็ญเพียรทางจิตในช่วงนี้ก็ได้ยกตัวอย่างนาถาการณธรรม คือธรรมะที่กวรเจริญถ้าหากว่าเรายัางไม่มีถ้ามีแล้วก็ควรจะรักษาแล้วก็เจริญเจริญด้วยแล้วก็รักษาด้วยจนกว่าจะสมบูรณ์บิรียกคือความเพียรเป็นข้อต่อไปคือสืบต่อมาจากบนก่อนได้พูดถึงเรื่อ ง, ก, งกิริณาเยสุทักาตาคือความหมั่นขยันในภารกิจการงาน และธรรมากามตาก็คือความไปผู้ใคร่ทำยินดีในธรรมใน้วข้อต่อไปก็เป็นวิริยะคือความเพียรหรือความกระหายความบากบานันความมุ่งมั่นที่จะให้ประสบความสาเร็จในภารกิจการงานข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าเวลาทรงอธิบายความเพียร น, นั้นก็จะย้อนกลับเข้าไปสู่หลักการเดิม แม้เราพูดถึงความเพียนทางกายความเพียนในการปฏิบัติหนะ้าที่การงา น, นเช่นชาวนาเพียนในการทำํำนาชาวสวนเพียนในการนาสวนคนขับรถก็พยายามในการขับรถเป็นต้นเนี่ยมันก็สแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งความกระหายที่มีอยู่ภายในใจที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจะต้องกำจัดความเกลียดกร้รานออกไป โดยจะเพียนเรื่องอะไรก็ตามนะต้องมีกําลังมากพอที่จะขจัดความเกียดคร้านออกไปความเกียดคร้านบางระดับนั้นท่านเรียกว่ามหากศัจักคือความเกียดคร้านมากๆแล้วก็มีเล่กเทสามารถที่จะอ้างอิงเพื่อตัวเองไม่ต้องทําหน้าที่การงานเราดันได้แต่นั่งพอเราเจอความเพียนเราก็นึกถึงสมบัติฐานทุกที คือจะบลักไว้เลยนะฮะว่าจะอยู่ในกรอบความสมประฐานเพราะว่าไม่ไว่าจะเป็นความเพียรทางกายทางวาจาหรือว่าแม้แต่ว่าความเพียรทางใจก็ตามเรียนว่าเพียรเจริญสมถกรรมฐานจเจริญในปรสนากรรมฐานเนี่ยมันก็สรุปแล้วก็เป็นการเพียรเจริญในฝ่ายกุศลอย่างในกรณีเนี่ยเป็นการเพียรในจเจริญฝ่ายกุศลแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ย กุศลที่เราเพิ่มพูนขึ้นมันก็จะทําหน้าที่กระจัดอกุศลออกไปจากจิตใจของเราคือการละบาปบาปําเพ็ญบุญเนี่ยที่จริงแล้วก็บาําเพ็ญบุญมันก็เป็นการละ บ, บาปแล้วเพราะว่าเมื่อบุญเพิ่มเนี่ยบาปมันก็ต้องลดโดยกฎธรรมชาติธรรมดามันก็เย็นเพิ่มร้อนก็ลดสว่างเพิ่มมืดก็ลดเนี่ยความเปลี่ยนก็คือ ความเพียรป้องกันบาปป้องกันกุศลไม่เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราไ ม, ไม่ความเกลียคร้าญก็อบนใจในการทำการงานหนะ้าที่ต่างๆแล้วแต่เห็นว่าตัวเองเกลียคร้าญตัวเองเป็นคนจันทรตัวเองเป็นคนเห็นเกตตัวก็แล้วแต่โทษอะไรอ่ะนะก็ต้องมองเห็นโทษชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละลงไปโดยเปลี่ยนพยายามในการเจริญกุศลคือเพิ่มพูนกุศลให้มันเกิดขึ้น และรักษากุศลคือความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสริมไปเล้วยกตัวอย่างในที่นี้เป็นนาฏกแกทธรรมอีกสามข้อสุดท้ายนะคือปรดี๋เราเจอมาในที่อื่ น, นแล้วคือสติก็เราเคยเจอมาแล้วนะคือในสัมมาสติไม่ไม่ใช่ในสัมมาสติในสติในที่อื่นที่ยกตัวอย่างมาแ้วก็ปัญญาเองเราก็เจอมาแล้วเพราะฉะนั้นในที่นี้ประเด็นที่ควรแก่การ ที่พิจาราก็คืออีกข้อหนึ่งซึ่งเรายังไม่เจอคือยังไม่เคยยกตัวอย่างมาไม่ใช่ไม่เจอคือเรื่องสันโดษสันโดษเป็นธรรมะที่น่าคิดตัวสมัยหนึ่งสมัยจอมพลสฤษดิ์กนรัตเนี่ยตอนนั้นท่านก็มุ่งพัฒนานะฮะสร้างกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจอสร้างกระทรวงพัฒนาแห่งชาติขึ้นก็ ขอร้องไม่พระเนี่ยไปสอนเรื่องสันโดษเพราะว่าสันโดเราเข้าใจสันโดษไม่ตรงกับที่พระเจ้าทรงแสดงเข้าใจสันโดษคล้ายๆกับไปหลีกเล้นสงบอยู่คนเดียวอันนั้นที่จริงเขาเรียกว่าวิเวกหรือปะวิเวกคือหลีกเล่นไปอยู่ในที่สงัดสันโดษนั้นท่านแปลว่าความยินดีตามมีตามได้แล้วข้อที่น่าสังเกตก็คือว่า ทรงแสดงวสันตุถีประมังธนังความสันโดษนั้นเป็นทรัพย์อย่างยอดเยี่ยมวันมันก็เป็นเรื่องของคุณภาพในด้างจิตใจแต่ว่าในหลักปฏิบัติจริงๆมันอยู่ระดับของสัมมาอาชีวะนะฮะคือการเลี้ยงชีพไปตานที่ชอบเดงแตลว่ามันแบ่งออกเป็นสามช่วงใหญ่ๆ คือในกรณีท้ทั่วไปสมบุกสมบูรณ์ทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกันหลักของของทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการกิจตกรรมบริโภคกรรมบริวัตกรร ม, รรรมอะไรต่ออะไรเนะี่ยนะคือจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นผลสันโดษในช่วงแรกเนี่ยคือเย็ดเย็ดยะถาภละสันโดษคือยินดีตามกาลังกําลังทรัพย์กำลังความคิด กำลังคนกำลังเคงยนต์กลไกอะไรก็ตามนะฮะที่จริงมันมันไม่มีกรอบคือสันโดษเนี่ยเราไปดูในที่อื่นด้วยนะเช่นว่าพระราชาสันโดษเนี่ยก็จะเสื่อมภิกษุไม่สันโดษเนี่ยก็จะเสื่อมเห็นไ้มว่าฐานะของผู้ครองเรือนเนี่ยถ้าไปหมวดสันโดษอยู่มันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีภารกิจการงานเดี่จะต้องดูแลจะต้องรับผิดชอบกิจเป็ดมาก ผนได้มันก็ต้องเก็บสะสมรวบรวมเอาไว้เวลามีภยัยอันตรายมันเกิดขึ้นเนี่ยคล้ายๆกับสาธาภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดทางภาคเหนือตั้งแต่เป็นสมรณรขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาถึงพิศนุโลกอะไรแต่แเราสังเกตด้วยเมื่อถ้าหากว่าเราใช้สันโดษคือโดยไม่แสวงหาอะไรก็ยินดีไปตามสมควรแก่สถานะของเราเนี่ย มันก็ไม่รู้ใครจะช่วยใครนะครัก็ต่างคนต่างก็ยินดีตามเหมาะตามควรแก่ตัวเองกันนั้นเองวันนีต้ตรงนี้ที่จริงมันก็มองว่าเมื่อเป็นแนวสมมาชีวะนี่มันก็คือการแสวงหาทุ่เทกำลังสัพพกำลังลงไปได้ทุกเรื่องมีกรอบอยู่ที่อย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดศีลธรรมกันนั้นเอง เราแสดงว่าเราใช้กำลังลงไปเต็มที่เรามีทุนมากเรามีกำลังคนมากเรามีเครื่องยงนต์กลไกที่มีประสิทธิภาพเรามีตลาดกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเราก็จะทํายังไงก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยมีข้อแม้อย่างเดียวคืออย่าให้ผิดกฎหมายกับอย่าให้ผิดศีลธรรมเรอต้องจะอยู่ตรงนั้นตลอดแต่ว่าในช่วงมการใช้ความพยายามในการแสวงหาเนี่ยสามารถจะทุ่มเทส ป, ปกักกำลังลงไปได้ โดยไม่ไม่เสียสันโดษในช่วงของการแสวงหาอย่างนี้ก็เรียกว่ายถาภาระสันโดษคือยินดีตามกาลังนะแต่ว่าเวลาไปอธิบายพระต้องอธิบายอีกเรื่องหนึ่งนะฮะต้องอธิบายอีกระดับหนึ่งเพราะว่าพระนั้นบางครั้งบางคราวแมนะ้จะได้มากก็ต้องยินดีแต่น้อยเพราะว่ามันเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งก็เรียกเป็นอนาคาริกผู้ไม่ครองเรือนแต่ถ้าเรามองกันความเป็นจริงเวลาเนี้ยนะ คือสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะพระผู้ใหญ่จะต้องเป็นที่พึ่งพํานักอาศัยของผู้น้อยนะแล้วพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาในที่จริงเราบอกว่าไม่มีไม่ได้เลยนะพระมาขอพึ่งพาอาศัยเนตรมาขอพึ่งพาอาศัยบางทีขนาดไปขอทุนไปเนี่ยคือเราจะต้องพยายามขวนขวายมาช่วยเหลือเขาดังนั้นในการการการมีไว้เนี่ยมีไว้เพื่อสงเคราะห์คนอื่นไม่ใช่มีไว้เพื่อตัวเอง เพระว่าในแนวการตรงเคราะทุกวันเนี่ยยังยังยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าปัดใจจีวรอย่างงี้นะคือบางที่เรามีงานเนี่ยมีงานเช่นบ้าจะต้องทำศพครูบาจารย์ในต่างจังหวัดแล้วก็ต้องมีของถวายพระมากเราก็เริ่มสะสมมาเริ่มสะสมใจจีวรเข้าของต่างๆเก็บเอาไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็นำไปทำบุญต่อ เพราะถ้าไม่สะสมก็ไม่ไจะทำํำยังไงอันนี้ ก, ก็คือก็คือสิ่งที่มันเป็นความจําเป็นคือในแง่ของสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นว่าจะต้องอนุเคราะห์สมเคราะห์ซึ่งกันและกันคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งคือหมายความว่าพระก็จะอยู่กับสมถากรรมฐานในิพพานกรรมฐานไปแล้วก็งานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์นี่ไม่ค่อยมีแต่ทุกวันในงานสังคมสงเคราะห์นี่จะเยอะมาก ไปยังนึกว่าถ้าเราถ้าหากว่าเป็นคนที่สังคมเขรู้ว่าท่านมีนําใจนี่นะแล้วก็มีคนมาขอสงเคราะห์รับรับการสงเคราะห์นุเคราะห์จากท่านโดยธีการต่างๆอย่างนึกว่าท่านสมมติว่าเขาถวายท่านจักรร้อยบาทเนี่ยท่านได้จ่ายเองในยี่สิบาทก็บุญแล้วนะสพว่มากมันจะออกออกไปไปอีกด้านหนึ่งแต่ว่าตัวเองก็ยังคงชั้นโดดอยู่ ก็ยินดีตามกำลังที่เรายินดีตามเหมาะควรในในชั้นของการบริโภคแสวสอยก็ยินดีตามเหมาะสมควรแต่ในช่วงรับเนี่ยถ้าเราลองดูปฏิปทาของพระอริยบุคคลท่านก็ไม่ได้ห้า ม, มานะนะอย่างเช่นพรนรนเนี่ยท่านรับผ้าผ้าที่เขาถาวายเป็นผืนผืนคงไม่ใช่ผ้าไตรจีวร น, นะนะผ้าผ่าทั่วไปนี่แหละ คือนับแล้วในบรรทุกเกวียนเป็นเปนเกวียนน่ะราคาจําจํานวนเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนะนะถ้าก็รับนะฮะก็แสดงว่ารับตามกําลังที่ท่านจะรับได้แต่ว่าไม่ใช่รับเพื่อตัวเองตัวเองก็คงสัโดษอย่างนั้นแหละตอนพระพุทธเจ้าหลังพระเจ้านิพพานถวายพระเพลิงแล้วเนี่ยพระนลต้องเอาผ้าเนี่ยขึ้นเกวียนไปเลยนะเป็นกระบวนเกวียนแล้วเอาไปเยี็บเยียนไปแจกจ่ายกับพระในที่ต่างๆ ในการสงเคราะห์นุคราะแก่ภิกษุสามเณรหรือบางทีเราก็ดูปฏิปทาของพระอรหันต์อย่างพระสีวลีเนี่ยถ้าเป็นคนเลิศไปลากบินปาตได้เยอะเพราะฉันถ้าก็มาพาพระไปมากๆจะไปช่วยกันรับบินดาตกัญาติโยมเป็นการสงเคราะห์ญาติโยมด้วยแล้วก็สงเคราะห์ราเหล่านั้นด้วย วันบางครั้งบางข่าวเนี่ยเรามององค์ธรรมเนี่ยมันต้องมองปฏิปทาของพระอรหันต์ท่านด้วยเมื่อในกรณีเนี่ยปฏิปทาที่พระเจ้าทรงปฏิบัติเป็นยังไงที่พระอรหันต์ท่านปฏิบัติเป็นยังไงคือไม่ใช่ไปอธิบายไปแนวใดแนวหนึ่งวันก่อนเนี่ยไปเจอวิทยากรก็ไม่อยากจะไปติงเขานะที่จริงก็ออกในการรายการรูปธรรมนำชีวิตมาก็นั่งอยู่ด้วยแหละแต่ว่ามันไม่อยากจะติงออกอากาศ เป็นเรื่องชาวบ้านเขาคิดนะหรือก็ตั้งปัญหาถามว่าศีลห้าข้อเนี่ยก็ไหนสําคัญที่สุดเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อแก้ไปเฉลยที่ข้อข้อสุรานะคว่าสําคัญที่สุดแล้วต่อมาก็มีพระเข้ามาถามบอกว่าศีลนะพระพุทธเจ้าเรียงไปตามลาดับแล้วความสําคัญนะ่คือชีวิตนีนสําคัญที่สุด เพราะว่าสมมติว่าคนเมาเหล้าแล้วไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยสมมุติว่าไปฆ่าคนตายเนี่ยมันก็ลงโทษว่าะฆ่าคนตายนะฮะก็ไม่ลงโทษเพราเมาเหล้าหรือว่าดื่มเหล้าแล้วไปลักทรัพย์เขาก็าจะผิดเพราะลักทรัพย์ไม่จะผิดเพราะเมาเหล้าหรือว่าดื่มเหล้าแล้วไปฉุดฆาตอาจารย์เขามันผิดเพราะฉุดฆาอาจารย์ไม่จะผิดเพราะเมาเหล้าไอ้โกหกเราเรื่องว่ามีลักษณะอย่างนั้นเนี่ย เก็ต้องมองไปถึงอนันตเรกรรมนะฮะเรเห็นว่ากรรมหนักที่กรรมอื่นไม่คั้นในระหว่างเนี่ยมันเป็นค่าตั้งนั้นนะฮะค่าแม่ค่าพ่อไอ้ค่าพ่อค่าแม่ค่าพระรหันพระทุสรายพระพุทธเจ้าจนพ่อประโลหิตแล้วก็ทําสงให้แตกจากกานันเห็นไหมพระทุศรายต่อชีวิตทางนั้นเนี่ยคือสุราเนี่ยมันเป็นอบายยมุกแล้วก็ มัเคยพบนะฮะที่จริงลักษณะอย่างเนี้เคยพบปัญหาสมัยตอนนั้นนมาเป็นเนนมีการเฉลยปัญหาเหล่านี้ออกไปสอบนักธรรมจันทรีถามมศีนห้าคนไหนต้องการที่สุดเนี่ยสนามหลวงเฉลยเป็นสุรามันกันเนี่ยถูกวิพาควิจารณ์กันเยอะขนาดนั้นเนี่ยคือนั้นเราจะจะเห็นว่ามันต้องมองถึงหลักการตรงอื่นด้วยเราจะดูเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งก็คงไม่ได้นะคือบางทีเนี่ยต้องการพูดเรื่องนั้น ของการพูดเรื่องศีลเท่านั้นเองแต่ว่าในความเป็นศีนั่นแหละเราจะเห็นว่าจิตใจที่มันฆ่าฆ่าคนเนี่ยนะฆ่าคนนจะเป็นโทสะกับโมหะกิเลสประเภทโทสะมีโทษ ม, มากแคลายช้าโมหะมีโทษมากโดยคลายเร็วด้วยเห็นไหมถ้าไปทําลายชีวิตคนอื่นเนี่ยมันทําด้วยโทสะกับทําด้วยโมหะมันโทษมันหนักในสภาพวัาถางกิจมันเป็นห น, นักเกี่ยแล้ว แต่ว่าจะไปการจะไปติ้งออกอากาศมันก็น่าเกลียนดะก็ตอนทำรายการเสร็จก็นึกจะบอกเขาพอดีก็จังหวะไม่ให้ก็เลยไม่ได้บอกบอกให้ไปคิดใหม่นะฮะคือคือไม่ใช่ไปว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นอแนวของการสันโดดเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านจะแนกไว้สามเป็นสามช่วงหรือถ้าเราพูดพูดปัจจุบันอะจะง่ายนะ 1. ะหนึ่งช่วงของการสแสวงหา สองช่วงของการครอบครองสามช่วงของการซื้อหาจับจ่ายนะมันอยู่สามช่วงเพราะในช่วงของการแสวงหานั้นถ้าตราบใดที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วเนี่ยมันไม่ถูกจำกัดไ่าคุณจะรวยจะกี่ร้อยล้านก็ได้นะไม่เ่าอะไร ส, ส่วนเรื่องทานนะเอาอีกช่วงหนึ่งทีนี้เมื่อได้มาแล้วเนี่ยมันต้องยินดีตามที่ได้ ได้มากก็ยินดีตามมากได้น้อยก็ยินดีทำน้อยทําใจสงบไม่ต้องไปวิตกข้างบนไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรนะคนไม่ได้ว่าอะไรนะฮะมากก็ยินดีตามมากน้อยก็ยินดีตามน้อยสมัชชาบ้านนะฮะแต่สมัครพระเนี่ยในบางการณีไม่ใช่ทุกกรณีจะได้บอกบางการณีเนี่ยคนก็ต้องการถวายท่านเนี่ยนะหรือพนางสามา ว, วดีกับพระเจ้าอุเทนต้องการกับบริวานะฮะต้องการถวายพระกับพระนุนพระนุนก็ต้องรับฉลองจต่าเขา แต่ว่าใจท่านก็มีสันโดษแต่สันโดษในช่วงบริโภคไอช่วงรับเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคล้ายๆกับเรารับบริจาคเพื่อจีกิจการ ใ, ใหญ่ๆเนี่ยมันมนันไปสันโดษจะไม่ได้แลวสันโดกก็ทำงานไม่ได้ก็ยินดีเต็มตามกำลังที่เราต้องการเราปรารถนาในพวกตัวนี้เรียกยถายะถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้มา แล้วก็พอบริโภคใช้สอยเนี่ยมันถ้าเราพูดปัจจุบันก็คือการตลาดกับการแรงงานนะก็ยินดีตามเหมาะตามควรมันมีหลักอย่างหนึ่งอยู่ด้วยคือหลักสมรรชติวิตาคือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่สถานภาพของเรากำลังทรัพย์กำลังเศรษฐกิจอะไรต่อไรของเราเนี่ยมันหลายๆเรื่อง คือว่าความสมควรของคนแต่ละคนนั้นยังไงก็ไม่เหมือนกันนะเราเจื่ว่าถ้าคนมีฐานะพอจะบริโภคใช้สอยให้เกิดความสะดวกสบายแก่ร่างกายของตอนเองได้แล้วก็สนิททีเหนียวมันก็กลายเป็นคนที่ไม่รู้จักบริหารตัวเองได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทองเขาเรียกว่ารู้ประมาณในการใช้จ่ายการบริโภคการบริหารทรัพย์สินเงินทอง สันโดษจึงเป็นหลักการปฏิบัติทัท่วไปนะแล้วไม่ใช่มักน้อยนะต้องต้องโปรดสังเกตว่าคือถ้ามักน้อยในพุทธเจ้าไม่สอนชาวบ้านเราจะสอนเฉพาะพระแต่สันโดษในสอนทั้งพระทั้งชาวบ้านอย่างที่บอกว่าในตอนต้นเนี่ยว่ากษัตริย์สันโดษก็เสือ่อมบรรพชิตไม่สันโดษก็เสือ่อมโดยเฉพาะในช่วงของการแสวงหาในช่วงของการได้มา ในช่วงการครอบครองเป็นเจ้าภาพเจ้าของนะฮะแล้วก็ในช่วงที่บริโภกชายซอยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของการบริโภคชายสอยส่วนตัวเองเนี่ยจะต้องรู้จักประมาณแต่ว่าการมีเอาไว้มากๆถ้าเ่ามีเป้าหมายที่จะทํางานอะไรอย่างใดย่างหนึ่งย่อไม่แล้เนี่ยนะฮะโดยเหตุว่าบางทีสาธารณภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อก่อนมาก็เคยเป็นกรรมการกองทุนที่เกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับพระพภิกษุสามเณร ต่อมาประธานไม่ได้เรียกประชุมนะงานนี้ก็ไม่ได้ทําก็ทํามาสองสาคราวเกิดสาธารณภัยเราก็ลงไปดูแลแล้วก็ไปช่วยเหลือไอ้ตรงนี้มันก็ต้องมีเยอะฮนะเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันล้านหนึ่งมันทําอะไรไม่ได้เลยนะเวลาเกิดสาธารณภัยขึ้นมาเนี่ยเงินเป็นล้านเนี่ยหายจ้อยเลยทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราบรรทุกของสิบล้อรถรถสิบล้อไปเนี่ยนะเวลานี้ต้อง ค่า จ, จ่ายประมาณสองแสนสิ่อของที่เราใส่ไปเพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านเนี่ยก็ซื้อขึ้นมาทั้งข้าวสารทั้งอาหารทั้งเครื่องใช้อะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องหนักหนักขนาดนั้นนะเพราะฉั้นเวลทีไ่ไอ้การรับไว้มันก็ต้องเยอะต้องเยอะแต่ว่าสําคัญว่าไม่ใช่เพื่อตัวเองประเด็นสําคัญเป็นการปฏิบัติธรรมะในส่วนของตัวเองนั้นต้องรู้จักประมาณ ประในการไปพกใช้สร้อยวันประมาในการแสวงหาประมาในการรับในบางกรณีนะไม่ใช่ทุกกรณีก็บางทีก็ไม่จำเป็นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แต่ว่าที่จริงมันก็เป็นกานยินดีตามกำลังนั่นแหละคงยินดียินดีตามกำลังอยู่ยินดีตามที่ได้มาอยู่ เพรนั้นในแนวให้ลองสังเกตว่าแนวปฏิบัติเนี่ย เ, เช่นสมมติว่าพระภิกษุจะสร้างกุฏิเพื่อเป็นที่อยู่แห่งตนเนี่ยไม่ได้คือต้องสร้างเกินประมาณไม่ได้ประมาณเล็กนิดเดียวนะครัตบตัวเล็กนิดเดียวสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นในการต่อมามันก็สร้างกุฏิเป็นการสงสร้างุติเป็นของสงไปของวัดไปนะคือพระไปสร้างส่วนตัวไม่ได้แล้วก็ เมื่อท่านจะอยู่ก็มีพัตทูเทศเป็นคนแจกให้ไม่ใช่เป็นเสนาสนะกาประกาศคือผู้แจกเสนาสนะจะนิมนต์ท่านไปอยู่แต่ว่าท่านเองนั้นไปสร้างเฉพาะส่วนตัวไม่ได้ตัวตัวนี้สภาพสังคมมันก็เปรี่ยน น, น, นั่นนะยิ่งสมมติว่าเราจะมาสร้างกระต๊อบอยู่ในกรุงเทพอยู่วัดปวรสร้างกระต๊อบอย่างนี้จะตายเลยแล้วก็สร้างให้แข็งแรงอาคารให้แข็งแรงมันคงมันเกี่ยวกับ ไปไม่มันเกี่ยวกับการไปพกใช้สอยมันเกี่ยวกับราคาที่ดิ น, นเกี่ยวกับเงินไขต่างๆอีกเยอะมันการปฏิบัติธรรมท่านจึงใช้คําคำหนึ่งมันเป็นศินละปะเรียกว่าปฏิบัติธรรมสงวรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรร ม, รมแล้วก็ต่อไปจะเป็นข้อหลักนะฮะข้อหลักที่เราเจอมาบ่อยคือสติกับปัญญานะสติกับปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะหลักแหละหมายความว่า พี่เคยเน้นมาในวันก่อนเรื่องธรรมะมีอุปการมะมากเพราะเลยเพราะว่าสติเนี่ยมันต้องใช้ในทุกกรณีสติปัญญาเนี่ยต้องใช้ทุกกรณีเราจะสันโดษ ม, มัญญม น, นก็ต้องมีสติปัญญาเราจะมัม่นขยันก็ต้องมีสติปัญญาต้องมีความเพียรก็ต้องมีสติปัญญาจะข้อผากรยาณมิตรก็ต้องมีการต้องมีปัญญาสติปัญญาหรือว่าจะ เป็นคนว่าง่ายหรือว่ายากเนี่ยมันก็ต้องมีสติปัญญาวินิจฉัยไม่ใช่ว่าง่ายไปทุกเรื่องนะเขาให้ไปลักขโมยก็ไปลักขโมย น, นี่มันไม่ได้มันต้องมีสติปัญญากำกับเพราะหลักการตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าศีลเนี่ยมันจะอยู่ที่หัวนั้นก็เกี่ยวกับความประพฤติศีลเนี่ยเป็นข้อแรกเลยแล้วก็สติกับปัญญาจะอยู่ข้างหลังตัวแสดงว่า สติกับปัญญานั้นเป็นตัวปัญญาที่จะวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราเพราะนธรรมเหล่านี้แนมะ้จะมีสิบข้อนะฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการกระบวนการของธรรม ท, ที่บุคคลจะต้องมีสติมีสัมผัสจัญญาเป็นหลัก และในขณะเดียวกันเราเห็นว่าการข้อผากัลยาณมิตรก็ดีนะะการว่าง่ายสอนง่ายก็ดีเนี่ยตรงนี้เป็นอุปกระ์หรือเข้ามาสนับสนุนเป็นปัจจัยจากภายนอกปัจจัยจากภายนอกที่มาหนุนก็คือกัลยาณมิตรกับความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายก็คือกัลยาณมิตรสั่งสอนแนะนําตัำเตือนแล้วเราก็พร้อมที่จะฟังเหตุผลเชื่อมั่นในสติปัญญาของเขานเนี่ย ทีนี้ในส่วนข้ออื่นนี่เราจะเห็นว่ามันเป็นเรือนใจเลยเป็นหลักใจของเราเช่นบัญชี น, นี่เป็นเป็นฐานของชีวิตเลยตราบใดที่เรายังมีศีลอยู่เนี่ยความปลอดภัยในด้านต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าเราลองสังเกตว่ามันจะมีภูสัจจะอยู่ด้วยหรือการศึกษาเรียนรู้มาจากข้างนอกทีนี้นถามว่มาจากใครก็มาจากกัญญาณมิตร ใช่ไห ม, มาจากกัลยาณมิตรทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยพื้นฐานจิตเราจะต้องเป็นบนที่ใคร้ในธรรมะยินดีในธรรมะแล้วก็เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายพร้อมที่จะฟังยอมรับนับถือสติปัญญาเหตุผลของบุคคลอื่นไอ้ชีวิตของมนุษย์เราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าเรามองสมมติเราม่เาไม่พูดตัวนี้เลยนะเราพูดตัวนี้ เ, เราพูดที่ที่มงคลสูตรมงคลสูุด ม, มันก็จะมีลักษณะอย่างเนี้ย เห็นไหมการไม่คบพานการครบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาก็อยู่ในกลุ่มของพว้กัญญาณมิตรทีนี้เมื่อเราครบบัณฑิตแล้วบูชาผู้ควรบูชาแล้วเนี่ยบัณฑิตท่านว่าโอวาทแนะนําตักเตือนสั่งสอนท่านนั้นเป็นกัญญาณมิตรเห็นไหมาท่านเป็นกัญญาณมิตรแต่ว่าเราในค่ายทำหรือเปล่าเราค่ายทำเนี่ยเราเป็นผู้ว่า ง, ง่ายหรอนง่ายหรือเปล่าตกลงว่า พือถ้เรามองดูธรรมะเนี่ยมันเป็นการแสดงคือแสดงถึงกระบวนการคนงธรรมะเหล่านั้นแต่ที่จริงเนี่ยเขามีอยู่แล้วในกระบวนการตัวเนี้ยก็มีอยู่แล้วพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่าคนที่ประสบความสําเร็จในการสามารถพึ่งตัวเองตัวเองเป็นหลักให้แก่ตัวเองได้เนี่ยมันก็มีคุณธรรมเหล่าเนี้ยครบทั้งสิบประการเพราะฉะนั้นธรรมะชุดนี้จึงเป็นเรื่องที่ถ้ายังมีก็พยายามให้ ถ้ายังไม่มีนะพยายามให้หนักให้มีขึ้นแต่มีแล้วเป็นแล้วก็พยายามรักษาไว้แล้วก็พยายามสร้างจนกว่าจะเข้าถึงความสมบูรณ์เป็นเป้าหมายสูงสุดต้องฟังทั้งหลายไป้ร่มพระโพธิญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเนึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูรณาธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี